ลูกน้องที่มีโชคคือผู้ที่ได้เจอเจ้านายในอุดมคติลูกน้องที่มีดีคือผู้ที่แม้เจอเจ้านายในฝันแม้เป็นฝันร้ายก็มีรับเชื้อร้ายมาจากนายตนเจ้านายดีๆในอุดมคติคือคนฉลาดคิดได้ก่อนใครตั้งเป้าเป็นถามเข้าเป้าวางแผนเก่งอ่านเกมขาด สั่งชัดเจนแล้วไม่ลืมไม่กลับไปกลับมาตัดสินใจถูกมากกว่าผิดยอมรับผิดโดยไม่เสียความสงา่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนมุมาณนะส่งพลังหน้าอบอุ่นยามเกิดปัญหากรองใจคนด้วยการรู้จักช่วยไม่ใช่เอาแต่ใช้ีติติงด้วยข้อคิดที่ทำให้กลับไปคิดคน้นไม่ใช่เอาแต่ด่าทอให้กลับไปคิดแค้นส่งเสริมให้คนอื่นได้หน้า ไม่ใช่เอาหน้าให้แต่ตนเองเจ้านายในอุดมคตินั้นดูได้ง่ายคือทําให้ลูกน้องอยากเชื่อฟังนับตั้งแต่เจอกันวันแรกเพียงสบตาและฟังน้ําเสียงกับทั้งยิ่งนึกเคารพรักในวันต่อมาด้วยเมตตาที่คงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแต่เมื่อพินิษ ด, ดูคุณสมบัติของเจ้านายในอุดมคติแต่ละข้อแล้วคุณจะพบว่า ไม่มีข้อไหนที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญต่อให้เรียนจบจากสถาบันเจ้านายหรือโรงเรียนผู้นำล้ำเลิศใดใดก็ไม่มีใครเป็นเจ้านายในอุดมคติขึ้นมาจากการทำข้อสอบในชั้นเรียนได้มีแต่ต้องทำข้อสอบภาคสนามจากช่วงชีวิตการเป็นลูกน้องกันทั้งนั้นลูกน้องที่มีโชคคือผู้ที่ได้เจอเจ้านายในอุดมคติ ได้รับการถ่ายทอดความเป็นนายดีๆแล้วกลายเป็นเจ้านายดีๆตามลูกน้องที่มีดีคือผู้ที่แม้เจอเจ้านายในฝันซึ่งเป็นฝันร้ายผู้เป็นยอดแห่งอัปมงคลในชีวิตก็สามารถคิดได้เองเห็นได้เองว่าจะไม่รับเชื้อร้าชนิดไหนมาจากนายตนแค่ตั้งใจจะไม่รับเชื้อร้ายจากนายเลวคุณก็พอเชื่อความเป็นนายดี ขึ้นในตัวแล้วส่วนลูกน้องที่ไม่มีโชคและไม่มีดีคือผู้ที่ไม่ยอมรับสภาพการเป็นลูกน้องไม่ต้องการเรียนรู้อะไรจากการเป็นลูกน้องไม่มีความสุขกับการเป็นลูกน้องแม้แต่วันเดียวเพราะใจแข็งขืนอัตตาแรงอยากเป็นเจ้านายเลยตั้งแต่วันแรกอย่างนี้ถ้าเจอเจ้านายเลวก็รับเชื้อเลวมาครบ หรือแม้เจอเจ้านายดีก็มีรับเชื้อดีมาสักข้อถ้าทั้งโลกเต็มไปด้วยความหวังเจอเจ้านายดีแต่ไม่มีใครพยายามเป็นลูกน้องที่ดีเลยในที่สุดเจ้านายดีๆจะเป็นแค่เทพในตำนานเชื่อเชื่อกันว่าเคยมีแต่ไม่มีใครรู้ว่าสมัยไหน